สังคาที่เศษสิขาบทที่สามว่าด้วยการเข้าละแวกหมู่บ้านตามลำพังเป็นต้นเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระพัทธกาปิลานี687สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น อันเทวาเสนีของพระพัฒกาปิลานีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายจึงหนีไปตระกูลญาติในหมู่บ้านพระพัฒกาปิลานีไม่เห็นเธอจึงถามภิกษุณีทั้งหลายว่าภิกษุณีเชื่อนี้หายไปไหนภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าแม่เจ้าเธอทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วหายไปพระพัฒกาปิลาณีกล่าวว่าที่หมู่บ้านโน้น มีตระกูลญาติของภิกษุณีนี้อยู่ท่านทั้งหลายจงไปเสฝหาดูที่ตระกูลญาตินั้นภิกษุณีทั้งหลายไปที่ตำบล น, นั้นพบภิกษุณีนั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่า mm hmm. แม่เจ้าทําไมเธอมาคนเดียวไม่ถูกใครมาทําไม่ดีไม่ร้ายบ้างหรือ mm hmm. เธอตอบว่า mm hmm. แม่เจ้าทั้งหลายดิฉันไม่ถูกใครทําไม่ดีไม่ร้ายเลยบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตาหนิ